สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิสยอพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่296เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่71แล้วนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวนาันอาทิตย์และประโยคที่เราจะอธิษฐานในเช้าวันนี้ก็คือขออย่านำค่าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่า พระเจ้าจะนำเราเข้าไปในการทดลองหรือล่อรวงหรือชักนำให้ทำบาสนั้นพระองค์ไม่ทำอย่างแน่นอนครับยากอบบทที่สยากอบบที่หนึ่งข้อสิบสามนะครับเมื่อวานได้กล่าวไปแล้วเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพระเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วนั้นจะมันล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยพี่น้องครับถ้าเราพิจารณา ด, ดีนะครับ ในอีกด้านหนึ่งนั้นมันกำลังหมายถึงการทดลองใจหรือการทดสอบเพื่อประโยชน์ของเราถามว่าได้ไหมคาตอบก็คือได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองนั้นมีอยู่สองความหมายครับเป็นเป็นกลางๆครับทำกลางๆในด้านหนึ่งอาจจะหมายถึงการชักชวนให้ทำความชั่วลายนะครับในกรณีนี้พระเจ้า ไม่ทรงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าคาว่าการทดลองหรือภาษาอังกฤษเช็กว่า temptation นั้นนะครับถ้าเราบอกว่าจะเป็นการทดลองใจหรือทดสอบเพื่อประโยชน์ของเรานะครับเพื่อให้เราผ่านครับถ้าเราบอกว่าพระองค์เจ้าค่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองใจขออย่านำข้าพระองค์เข้าบรในการสอบเลยเรากำลังปฏิเสธ ข้อความที่ว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจได้ก็เป็นสุขพี่น้องครับกล่าวไว้ในพระธรรมเดียวกันครับยากรบบทที่หนึ่งพี่น้องครับเราจะเห็นว่าถ้าเราคิดนะครับตามแบบอย่างของพวกเราเองนะครับไม่ได้คิดตามแบบอย่างของพระเจ้าเราก็รู้สึกว่าข้อความเนี้ยมันขัดแย้งกันใช่ไหมครับนะครับพังพีอยู่ในบทเดียวกันนะครับบอกว่า คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นจุขนะฮะและในบทเดียวกันก็บอกว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าสรงล่อให้หลงพี่น้องเห็นไหมครับว่าในคาว่าการทดลองหรือเทมเพชันนั้นมีความหมายสองอย่างความหมายในด้านชั่วก็คือการชักจูงนะครับล่อลวงให้ทำความชั่วในกรณีนี้พระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับ แต่อีกในกรณีหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกความหมายหนึ่งนะครับบอกว่าก็คือการทดสอบครับการทดลองหรือเทมเพย์เช่นั้นนะครับมีความหมายของการทดสอบทดสอบเพื่ออะไรครับครูออกข้อสอบเพื่อให้ให้เราเลยครับให้เราผ่านครับครูออกข้อสอบเพื่อที่ให้เรานั้นมีวินัยในการเตรียมตัวสอบมีวิัยในการเรียนรู้เพื่อที่จะวัดการเรียนรู้ของเราว่าเราจะผ่านบทที่หนึ่งไปบทที่สองได้หรือไม่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกันนะครับ นะครับเราจะต้องผ่านการทดสอบครับจากพระจักอันนี้เป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งของคำว่า temptation หรือการทดลองพี่น้องครับบิดาแห่งคริสตจักรในสมัยแรกเริ่มก็คือคริสโตรมนะครับคริสโตรมกล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าคำอธิษฐานนี้เป็นการแสดงออกซึ่งธรรมชาติแห่งความอ่อนแอพี่น้องครับผมอ่านให้ฟังนะครับ คำอธิษฐานนี้เป็นการแสดงออกซึ่งธรรมชาติแห่งความอ่อนแอของมนุษย์นะธรรมชาติแห่งความอ่อนแอของมนุษย์ที่จะต้องเผชิญกับความชั่วร้ายหรืออันตรายอีกในหนึ่งก็คือมันไม่ได้ออกมาจากความรู้ความเข้าใจมากเท่ากับอารมณ์เพราะมันเป็นการท่าควรวนของจิตใจซึ่งรังเกียจแนวโน้มที่จะกระทําความผิดบาปพี่น้องครับคริสยซโสมนั้นได้เข้าถึงส่วนลึก ของห่วงอารมณ์ความคิดของมนุษย์ท่านก็ได้วิเคราะห์ธรรมนิษฐานของพระเยซูอันนี้นะครับบอกว่าเป็นการแสดงออกของธรรมชาติแห่งความอ่อนแอของมนุษย์ที่กําลังเผชิญกับอันตรายอันตรายจากไหนครับอันตรายจากการล่อลวงนะครับล่อลวงของมารซาตานนั่นหมายความว่าเนื้อหนังของเรานั้นอ่อนแออารมณ์ของเรานั้นอ่อนแอนะครับ อารมณ์ของเรานั้นอยู่เหนือเหตุผลในหลายๆครั้งหลายๆครั้งหลายหลยคราอารมณ์ของเรานั้นอยู่เหนือความคิดของเรานะครับหลายหลยครั้งหลายคราอารมณ์ของเรานั้นอยู่เหนือการให้เหตุผลทั้งหลายคําอธิบายทั้งหลายความคิดทั้งหลายของเราในหลายๆครั้งหลายหลายคราและนั่นแหละครับคือจุดอ่อนของชีวิตของมนุษย์ครับนะครับจุดอ่อนของชีวิตมนุษย์นั้นอยู่ที่ อารมณ์ครับพี่น้องที่โซโตมได้กล่าวต่อไปว่าเพราะมันเป็นการค้ำคูณของจิตใจนะครับจิตใจของมนุษย์นั้นมีแนวโน้มที่จะกระทำบาปเพราะฉะนั้นจึงค้ำคูณออกมาค้ำคูณออกมาว่าไงครับค้ำคูณออกมาแท้ทีจริงแล้วเรานั้นมีความเกลียดชังที่จะทําความบาปครับจากชีวิตของการบังเกิดใหม่จากชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้า แล้วมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์แต่เนื่องจากเนื้อหนังของเรานั้นมันอ่อนแอครับเนื้อหนังเรานั้นมันชักชวนมันถูกชักชวนให้หลงได้ง่ายเนื้อหนังของเรานั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่อยู่เหนือความนึกคิดที่อยู่เหนือการใช้เหตุผลที่อยู่เหนือสมองอีกด้านหนึ่งที่ใช้ความคิดพี่น้องครับคริสโตมกาลังบอกว่าอารมณ์ของเรานั้น เป็นจุดอ่อนในขณะเดียวกันครับอารมณ์ของเรานั้นก็คือความมุ่งมั่นปรารถนาที่ไม่อยากจะทําบาปแต่รู้ตัวเองครับว่ามันเป็นจุดอ่อนพี่รองครับการทดลองใจนั้นก่อให้เกิดผลดีนะครับการทดลองใจหรือการทดสอบนั้นก่อให้เกิดผลดีในขณะที่การล่อลวงนั้นก่อให้เกิดผลเสียนะครับพระเจ้ากันก็ไม่ได้ล่อลวงให้มนุษย์ทาบาป แต่นะครับหลายหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราเชิญกับข้อความในพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนะครับผมจะนำนาเสนอข้อพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในมัทธิวบทที่ห้านะครับมัทธิวบทที่ห้าได้พูดถึงความสุขนะครับพระพรพระพรแปประการมีพระพรหนึ่งในจำนวนแปประการนี้ก็คือว่าชื่นชมอินดีครับ นะเมื่อถูกข่มเหงพี่น้องจำได้ไหยครับนะเพราะอะไรครับเรากำลังถูกข่มเหงเพราะเหตุองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุพระนามของพระองค์เพราะเหตุเราเป็นคริสเตียนเพราะเหตุเราต้องแสดงความรักต่อกันและกันนะครับหลายหครั้งทีเดียวเมื่อเรายือนหยัดในความเชื่อของเรานั้นเราต้องถูกข่มเหงครับเพราะฉะนั้นชื่นช ม, มนดีครับเพราะเราจะได้ผรจากพระเจ้าแต่ในมัทธิวบทที่สิบครับนะครับมัทธิวบทที่สิบพระเยซูสอนสาวกของพระองค์ว่าให้หลีกหนี ลีกหนีจากการถูกข่มเหงครับเห็นไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมัธยีบทที่ห้าเมื่อถูกข่มเหงต้องชื่นชมินดีมัธยีบทที่สิบก็คือว่าหากเรารู้ว่ารู้ตัวเองมาก่อนว่ามีการข่มเหงเราจงหลีกหนีเสียพี่น้องครับเวลาที่เกิดการข่มเหงนั้นเราจะยืนอยู่ตรงนั้นและชื่นชมินดีหรือควรจะวิ่งหนีพี่น้องครับมีแนวโน้มครับว่าเราจะต้องวิ่งหนีครับแต่เมื่อการข่มเหงมาถึงเรา หากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้วิง่งหนีไม่ทันเราก็สามารถที่จะได้รับพรท่ามกลางการข่มเหงนั้นได้ครับพอถึงจุดนี้ครับผมนึกถึงเมื่อประมาณสี่สิบห้าสิบปีก่อนหน้านั้นในช่วงร า, ราวๆปีหนึ่งเก้าหกแปดถึงหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับช่วงเวลาประมาณแปดเก้าปีหรือสิบปีก็ได้นะครับในช่วงนั้นพี่น้องที่รู้จักทฤษฎีโดมิโนนะครับ ก็คือการที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นแต่ละประเทศแต่ละประเทศนั้นก็กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับทฤษฎีโดมิโนนั้นถูกเสนอบอกว่าพอประเทศหนึ่งล่มครับล่มจากระบบประชาธิปไตยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ต้องระวังอีกประเทศหนึ่งครับจะล่มตามครับก็ไปกว่าล่มจริงครับเกาหลีเหนือนะครับเป็นคอมมิวนิสต์นะครับก็จะพยายามเทคโอเวอร์เกาหลีใต้เวียดนามเหนือนะครับล่ม เป็นคอมมิวนิสต์ก็กลายเป็นว่าเวียดนามใต้ก็ล่มนะครับกลายเป็นคอมมิวนิสต์ในที่สุดอเมริกันก็ยกออกจากเวียดนามใต้หลังจากนั้นก็มาเป็นลาวครับหลังจากนั้นก็เป็นเขมรคาครับในหลายๆครั้งทีเดียวนะครับคนรุ่นพี่ของผมนิดหน่อยห้าปีสิบปีนั้นเขาก็นึกว่าจะต้องมาถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนทฤษฎีโดมิโน่จะต้องมาถึงประเทศไทยอย่างแน่นอน หลายหลาคนนะครับก็อพยพ ย, าย้ายิ่นฐานนะครับจากประเทศไทยไปต่างประเทศครับไปอยู่อเมริกาบ้างไปอยู่แคนาดาบ้างนะพี่น้องนี่คือการที่พวกเขานั้นเตรียมตัวเขารู้ล่วงหน้าครับเหมือนกับว่าเขาจะรู้เรื่องนะเขากลัวทฤษฎีโดมิโนนั้นจะพลาดมาถึงจะล้มมาถึงประเทศไทยนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีขอบคุณพระเจ้าที่เรานะครับ ยังมีองค์พระพุทธ เ, เจ้าอยู่เรายังมีในหลวงของเราอยู่และพี่น้องครับเมื่อเรานะครับกลัวการก่มเหงถูกต้องใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบออกจากการข่มเหงนะครับรีบหนีจากการข่มเหงตามมัทธิวบทที่สิในขณะเดียวกันครับเกิดเราหนีไม่ทันครับหรือเป็นน้ำมัทไทยของพระเจ้าที่ให้เรารับการข่มเหงจงชื่นชมินดีเมื่อเราถูกก่มเหง ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทีรักทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้เราได้รู้หลักการอีกหลักการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการข่มเหงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมไถยพระเจ้าเกี่ยวกับความหมายของคำว่า temptation หรือการทดลองใจอาเมีน